เมื่อวานคําถามอีกอันหนึ่งที่น่าทบทวนว่าการเจริญสติแบบนี้มันจะสื่อให้เกิดตัวสมาธิปัญญาได้อย่างไรและประโยชน์ที่จะได้จากการเจริญสติแบบนี้ที่นําไปใช้ชีวิตจวันได้อย่างไรเป็นันคําถามที่น่าทบทวนเพราะเป็นประโยชน์ตรงๆที่ที่เราจะพึงได้รับตัว ความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวรู้เื้อรู้ตัวที่เป็นแบบสัญชตาตญาณซึ่งความรู้ที่ออกจากตัวกายนะความรู้ที่พาออกจากปัจจุบันเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวที่เป็นสัญชตาตญาณนี่ถ้าหากว่าเรามาเจริญสติแบบนี้มันเป็นการรู้กลับเข้ามารู้กลับเข้ามาที่รู้สึกถึงมารับรู้ต่อทุก ม า, มารับรู้ต่อทุกเพราะร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์ขังอานิจังอนัตตาตลอดเวลา <c oughs> แต่สติที่ความรู้นึกรู้ตัวที่เป็นสัญชตาตญาณเนี่ยมันไม่อยากจะมาดูตัวนี้เพราะตัวนี้มันคือความจริงเพราะนิสัยของอสัมพัสั์ทั่วไปเนี่ยเขายังไม่สามารถจะมารับรู้ความจริงข้อนี้ได้เพราะมันเป็นทุกข์เกินไปเหมือนเรา อยู่ภายใต้แสงตะวันน้อยคนที่จะเงยหน้าดูเพ่งจ้องแสงตะวันบางทีทั้งปีทั้งชาติเราไม่เคยมองมันเลยแต่เราอยู่ภายใต้แสงของมันแต่เราไม่เคยจ้องดูดวงตะวันจังๆเลเพราะมันแทงตาแค่แดดแสงมันเข้ามาแทงตาแล้วก็หลบละฉันใดก็ดีความจริงที่ไม่อยู่ในกายเราเนี่ยมันจริงมันแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนแสงตะวันเราไม่อยากจะดูมันเลย เพราะมันแทงใจยิ่งไม่ดูมันก็ยิ่งเผาเราอยู่นั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่าลกการดึงจิตมารับรู้ต่อปัจจุบันนั้นเพื่อจะให้สร้างกําลังของปัญญาเพราะปัญญาตัวนี้มันจ ะ, ะเผชิญหน้ากับความทุกข์เหมือนกับเราพยายามที่จ ะ, ะเผชิญแสงแตะวัน มองไปมองมาไอ้มองด้วยตาเปล่าไม่ได้มันเริ่มฉลาดขึ้นไปหาแว่นตากันแดดกันแสงมันใส่มันก็สามารถจ้องพระอาทิตย์ได้โดยสายตาที่สบายๆเหมือนกันเรามาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายจากทุกขเวทานาตลอด เ, เวลานี้เราดูตรงๆนานๆไม่ได้รู้สึกว่ามันปวดตาเราเหมือนเราจ้องแสงแตะวัน เราดูจ้องทุกข์ดูนี้นานๆไม่ได้รู้สึกมันรับไม่ได้ใจมันก็จะอ่อนยวกลงมาเป็นง่วงเป็นนิวรนอืเพราะฉะนั้นคนใหม่เนี่ยจะต้องเจอนิวรนเพราะว่าเหมือนกับเราสายตาเราไม่สามารถจะจ้องพระอาทิตย์ได้นานเราไม่สามารถจะมารับรู้ตัวทุกข์ดูนี้ได้นานมันจะเริ่มง่วงเริ่มเหงาเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งทีนี้พอพบกายานิมิตกายานิมิตบอกว่าอย่าไปดูมันตรงๆอย่าไปจ้องมันตรงๆอ ดูมันสังเกตมันเฉยเฉยดูมันเฉยเฉยเอาสัมปชัญญะมาเป็นแว่นกันแดดนั่นหมายความว่าเราต้องใส่ใจทุกทั่วทั่วล่างกายไปใส่ใจทุกที่มันเกิดทั้งจุดเดียวเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะนั่นเองเหมือนสเสมือนแว่นกันแดดนะฮะจิตเรา เผชิญทุกที่มันเกิดขึ้นเฉพาะจุดนั้นจุดเดียวเหมือนเราไม่ได้จ้องดูดวงตะวันจุดนั้นเดียวเดียวพอจะวง น, นแดดใส่เข้าไปมันก็เรีวยกว่าดูแบบสบายสัมัชัญญะพอเราฝึกสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมทุกกวฏนาที่มีอยู่มันก็เริ่มกระจายทั่วถึงแบบแบ่งรับกันไปนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รวมอยู่จุดเดียวนั่นคือรายละเอียดของมันรู้สึก ง, ง่วงตั้งโตรงตร ง, ตรงหายใจลึกๆพอบุญมา หายใจตั้งคอตรงๆอาเกตเผลอนั่งก้งอยู่เลยจะได้ตื่นตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการปรับแก้ร่างกายจิตใจที่มันอยู่ในอํานาจของอนิจจังมันแปลปรนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากนั่งตรงเป็นนั่งก้มจากนั่งก้มเป็นนั่งตรงบ้างจากตื่นเป็นง่วงจากง่วงเป็นตื่นจากสบายเป็นไม่สบายจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหนัมันเปลี่ยนให้เห็นตลอดเวลา แต่ถ้าเราเอาตัวนี้ขึ้นมาเป็นนิมิตในการพิจารณาแล้วบางทีเราจะเข้าถึงธรรมได้ไวเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระเจ้าประกาศนี่ว่าวิวัติเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดมีธรรมะที่มีส่วนขี้ลิ้วเฉือนออกหมดสิ้นแล้วนะ่ชินนะฮิโลติโกเพราะฉะนั้นเราเราอย่าท้อในเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้ ได้นะคงจะได้รับประโยชน์จากจากชีวิตนี้แล้วทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหาความสุขที่เป็นเหยื่อที่มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราทุ่มเทได้ทั้งชีวิตนะทุ่มเทหาเรียนหนังสือหาเงินหาทองหารัพย์สมบัติหาตาแหน่งหน้าที่หาสามีภรรยาเราทุ่มเททั้งชีวิตให้ได้กับทุกที่มันไม่แน่นอนเนะี่ย และทุกที่มันแน่นอนเป็นบรม ส, สุขที่มันแน่นอนที่เป็นบรมสุขเราน่าจะทุ่มเทได้มากกว่านั้นตั้งใจได้มากกว่านั้นเสียสละมากกว่านั้นมีความพยายามมากกว่านั้นนะเพราะมันเป็นสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเป็นสุขทาวรแล้วก็มันจะ สุขตลอดไปด้วยแนละ้สุขนี่ก็สามารถแบ่งปันอย่างที่พระบรมศา ส, สดาแบ่งปันวิธีการหาความสุขให้แบบนี้ให้แก่เรามาสองสามพันปีแล้วมันก็ยังไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ความสุขอันเกิดจากการมิสุขหรือมิสุขอันเกิดจากรูปเสียงคิดรสัมผัสเนี่ย ร, ราชามหาจักรพรรดิตายไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์ ความสุขเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกประกาศมาต่อเนื่องกันอย่างที่พระองค์ได้ประสบนะเพราะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับมันทำไมมากมายกับความง่วงเพลินๆดๆนิดนๆดหน่อยนะอย่าไปเสียสุขภาพเสียความรู้สึกกับมันทำไมพยายามปฏิวัติตัวเองให้ได้เป็นนักปฏิวัติอย่าเป็นเป็ น, ปนทาส เป็นทาตของความง่วงเพียงตัวเดียวมันต้องมีใจพึกเหิมพึกฮัดสู้ขึ้นมามนถึงจะเอาชนะมันได้ยอมตกเป็นทาตทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่เหมาะละไม่สมเป็นสาวกพุท ธ, ธะจะไปเป็นทาตุทงมันเราต้องหาจุดแก้ให้ได้ล่ะนั่นเป็นสิ่งที่ทธาทายยิ่งแก้ยิ่งหาจุดแก้เท่าไหร่ยิ่งปัญญายิ่งเกิดความรู้ยิ่งเกิดวิชายิ่งเกิด จะ ต, ตกเป็นธาตุยอมรับยอมจำนวนกับมันอวิชาก็ยิ่งเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราประโยชน์ที่เราได้ก็คือเกิดปัญญาเกิดวิชาเอาไปใช้ได้ทุกเวลานาทีมันปลอดปลอดภัยทําให้เราปลอดภัยจากทุกขและปัญหานัวเองแต่เราไม่ได้ประกาศความรับผิดชอบนะเรารับผิดชอบแต่ก็ปลอดภัยรับผิดชอบต่อสุขต่อทุกขที่เกิดขึ้นรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะ นั่นต้องใช้ความอดทนนิดหน่อยนะ